ถ้าคิดให้ไกลแล้วก็นะมรดกของพ่อแม่อยู่กับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วเราจะเอามอรดก ข, ของท่านไปสแสวงหาทรัพย์อย่างไรไปหาทุนอย่างไรถึงจะห่อกเกยเมื่อได้ทุนแลทรัพย์ขึ้นมาแล้วก่อ น, นเอาส่วนหนึ่งที่เป็นกำไรก็ทําบุญอุทิศทส่วนกุศลให้ท่าน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 ท่านสร้างบารมีท่านก็ไปเห็นมีถ้ามีการมีงานมีมรหคมหอรศพที่ไหนท่านจะไปยืนกปัดปัดเอาเท้าน่อเกียเกียเกียให้มันสะอาดตรงนั้นพอท่านไปยืนอยู่ตรงนั้นคนทั้งหลายก็เห็นว่ามันสะอาดก็ผพักผลักมักขามานบออกเขาก็เข้าไปยืนแทน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 ปลาโลกนั้นมันมีทั้งหมูมแมลงผู้มแมลงพึ่งมแมลงวันเขียวอแมลงวันทองอะไรมันก็เป็นหมู่ของไครของเรานะี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันการสร้างคุณงามความดีก็มีหมูมีเพื่อนอีกเหมือนกันเห็นว่าเออเขาทําถนนข น, น, นทางเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์พอทําขึ้นมาเนี่ยจะมีคนอิจฉาเหมือนกันนะเนะี่ย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 เพราะไม่ได้สร้างบุญอะไรเลยจากนั้นนานไปเกิดเป็นนกยางบ่เนี่ยเป็นคนละทางกันเน่นแหละกรรมจำแนกสัตว์เนี่ยทั้งที่พระอินทร์ขึ้นบนสวรรค์นางจูชานาเนี่ยไปเกิดเป็นนกยางอยู่ในริมหนองหนองน้าฮะนกย่างนกกระยางขาวแต่นี้พระอินทร์ก็อยู่บนสวรรค์ขึ้นมาเอ้ยพวกเราขึ้นมาหมด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 น้องแห้งแห้งอีกต่างหากไล่หาจิกตะ ก, กะแตนตัวนั้นตัวนี้กินอีกต่างหากมาน้องมันแห้งใช่ไหมพระอินทร์มองเห็นแล้วโอ้ตายนางสูชาาไม่มีส่วนร่วมเดี๋ยวเราจะลงไปฮจนันนัยพระอินทร์ก็ลงไปเอจำแรงเป็นเป็นมรคามานพบทะก็เลยจำแรงลงไปบอกว่าเอ้ยสุชาดาแก่ได้เป็นนกจะแล้วขึ้นไปอยู่สวรรค์ไหมไปชมสวรรค์ไหม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 ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวฤกษงก็เลยครบได้ครบทั้งสี่นี่แหละนางสุชาดาขึ้นเป็นคนจุดท้ายที่พระอินเมตตาอันนี้แหะคือที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นมาในพระไตรปิฎกได้ไม่ใช่ปลำปลานิทานเรื่องนี้นะหลวงพ่อได้ฟั ง, ฟ, งฟังนุ่นพ่ออื้อเป็นสิ่งที่น่าคิดสรุปแล้วก็คือพระอิ น, นผู้ที่จะเป็นพระอินได้ต้องทาสาธารณประโยชน์